จเจออริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ภารกิจของพุทธศาสนิ ก, กชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีเสริมสร้างความร่วมเย็นเป็นสุขเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นการสร้างเวรใจให้กับชีวิตและจิตใจชีวิตของคนเรานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจ แต่ละส่วนก็มีความต้องการมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งที่จะเกื้อหนุนให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่างกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึง่งหอม ใจก็ต้องมีบุญมีกุศลซึ่งเป็นเหมือนกับเรือนใจเรือนของใจนี้ก็มีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนเหมือนกับเรือนบ้านเรือนที่เราพักอยู่อาศัยก็มีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันมีเสามีพื้นมีฝามีหลังคา มีประตูมีหน้าตาและมีส่วนประกอบอื่นๆอีกฉันใดเรือนใจก็มีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันเช่นทานคือการให้ศีลคือการไม่เบียดเบียนกันภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้มีความแข็งแกร่ง ให้มีปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วก็มีการบุทิดส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นและการมีสัมมาคารวะคือเป็นผู้อ่อนน้อม่อมตน แล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นความจริงแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องและการเผยแผ่ ธรรมะให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นส่วนประกอบของเรือนใจที่พระบรมรส า, าสดาทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันบำเพ็ญมันเสริมสร้างให้มีขึ้นมามากๆเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจ ถ้าจิตใจมีเรือนใจแล้วจิตใจจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพัดพรากจากกันและกันจะไม่เป็นความทุกข์สำหรับผู้ที่มีเรือนใจ เหมือนกับผู้ที่มีบ้านช่องไว้หลบแดดหลบฝนเวลาฝนตกเวลามีพายุมาเวลามีอากาศหนาวถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็จะปลอดภัยฉันใดใจของเราก็ต้องมีบุญเป็นเรือนใจไว้คุ้มครองเราจึงไม่ควรมองข้ามในการทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทควรจะเข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเรียกว่าวันธรรมสวนะแต่เนื่องจากวันธรรมสวนรในสมัยพุทธกาลในสมัยโบราณได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามวันของเดือนคือวันขึ้นแรมแปดค่ำ 14หรือ15ข้คำแต่ในสมัยนี้เนื่องจากเราอยู่ในโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆเป็นสากลละโลกเราจึงต้องยึดหลัก เ, เวลาของเวลาสากลคือแทนที่จะดูวันขึ้นแรงเราก็มาดูวัน วันอังคารวันพุธวระพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เรากําหนดภารกิจต่างๆเช่นวันจันทร์ถึงวันสุขเราก็กําหนดเป็นวันที่เราต้องไปทำงานทำการไปเรียนหนังสือส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เราหยุดพักผ่อนแต่วันพระของทางศาสนา จะไม่เป็นวันใดวันหนึ่งเสมอไปคือจะไม่เป็นวันจัน์เสมอไปไม่เป็นวันอาทิตย์เสมอไปจะเลื่อนไปเรื่อยๆตามปฏิทินของของจันทรคติก็จะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับผู้ที่ต้องไปทำงานทาการวันจัน์แล้วบังเอิญไปตรงกับวันพระเข้า ก็จะไม่สามารถที่จะตีตัวมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างเรรยาทใจให้กับตนได้ดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราจึงต้องใช้ปัญญาคือต้องรู้จักดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รับกับเหตุการณ์เช่นสมัยนี้ เรามีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนี้ให้เป็นวันพระแทนก็ได้เพราะวันพระนี้ไม่ได้ยึดขึ้นอยู่กับวันแต่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะทําในวันนั้นวันพระนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปล่อยวางภารกิจทางโลกคือการทำมาหากิน การศึกษาเร่าเรียนหรือการกระทำอื่นๆให้เราหันมาทำกิจกรรมทางจิตใจให้เรามาสร้างเรือนใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเพราะถ้าเราไม่มีวัน ที่เราแบ่งไว้ให้กับจิตใจของเรา จ, จิตใจของเราจะไม่มีที่พึ่งจะไม่มีที่หลบภัยหลบจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นเราจึงต้องปรับปรุงแก้ไขวันพระของเราถึงแม้ในทางปฏิทินยังถือเป็นวันขึ้น15ค่ำแรง15ค่ำหรือขึ้น8ค่ำแรง8ค่ำ แต่เราต้องปรับให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเราก็สามารถปฏิบัติ<ม>ภารกิจนั้นได้เพราะว่าที่วัดเช่นวัดญาณ น, นี้เราก็ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นคือไม่ได้มีการแสดงธรรมไม่มีการไม่มีกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะแต่ในวันพระเท่านั้นเราก็มีเพิ่มขึ้นอีกสองวัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีวันหยุดผู้ที่มีวันหยุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะได้ใช้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการสร้างเรือนใจให้กับตนเองได้ดังนั้นเราจะไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวว่าไปวัดไปได้เพราะต้องไปทำงาน เพราะเดี๋ยวนี้ที่วัดเขาปรับปรุงแก้ไขให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันพระเพิ่มเติมขึ้นมามีกิจกรรมเหมือนกับวันพระคือมีการทำบุญตักบาตรมีการรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมวันนี้ถ้าอยากจะถือศีลแปด ก, ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้เป็นวันธรรมสวรรค เป็นวันพระเพราะศีลนั้นอยู่ที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่วันเวลาถ้าเราอยากจะรักษาศีลเรารักษาได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ต้องรอมาที่วัดไม่ต้องรอใส่ชุดขาวถึงจะรักษาศีลแปดได้ศีล น, นี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เจตนาลมของเราถ้าเรามีความตั้งใจจะรักษาศีลแล้ว เราสามารถรักษาได้เสมอจะมีพระให้ศีลกับเราหรือไม่ก็ไม่จำเป็นเพราะพระไม่ได้ให้ศีลกับเราพระให้ศีลใครไม่ได้ศีลต้องเป็นของพระก็พระก็ต้องรักษาต้องดูแลไว้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้ผู้อื่นไม่ได้สิ่งที่พระให้ได้คือบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรเช่นศีลห้ามีอะไรบ้าง ศีลแปดมีอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จะได้รู้เมื่อรู้แล้วเขาก็จะได้เอาไปรักษาต่อไปแต่ศีลของพระสองเข้อนี้แบ่งให้ผู้อื่นไม่ได้ถ้าแบ่งแล้วศีลของพระก็ขาดขาดแล้วก็ไม่เป็นพระเป็นพระไม่ได้เพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐ ผูกะเคนเราจะประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความดีศีลนี่แหละคือความดีที่แท้จริงต่อให้เราให้ทานเป็นหมื่นเป็นล้านบาทแต่ถ้าเรายังพูดปลดมดเท็ดยังเสพสุรายาเมายังโกหกหลอกลวงยังยังชอบโกงยังประพฤติผิดตัวเวณียังฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราก็ยังไม่เป็นผู้ประเสริฐเพราะการให้นี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราประเสริฐแต่ก็ทำให้เราดีกว่าผู้ที่ไม่ให้เพราะเรามีความเมตตามีความกรมุนาแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐในทางตรงกันข้ามถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองที่จะบริจาคให้ทาน กับผู้อื่นแต่ถ้าเรามีศีลคือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าผู้ที่ทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ยังอดที่จะโกะหกหลอกลวงไม่ได้อดที่จะประพฤติผิดประเวณีไม่ได้อดที่จะเสพสุรายามองไม่ได้ เพราะว่าบุญนั้นมีแต่ละอยางมีความแตกต่างกันมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันเช่นเสาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหลังคาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งต่อให้มีเสาสูงไปขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีหลังคามุงครอบอยู่ก็จะไม่สามารถป้องกันฝนได้เวลาฝนตกก็จะต้องเปียกแต่ถ้ามีทั้งเสาและมีทั้งหลังคา ก็จะป้องกันฝนไม่ให้เปียกได้ฉันใดบุญต่างๆที่เราทำอยู่ก็มีทหน้าที่<ม>ที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเช่นทานนี้มีหน้าที่ชำระความตเน่ชนะชาระความเห็นแก่ตัวชำระความโลภชำระความหิวความกระหายได้ เวลาที่เราทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทำทาด้วยความไม่ปรารถนาที่จะต้องการผลตอบแทนจากผู้ใดเวลาทำอะไรช่วยเหลือใครเราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากที่เราไปช่วยจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือเขา พราะถ้าเราหวังแล้วเกิดเขาไม่ทำตามที่เราหวังเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจเกิดความโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำโดยที่ไม่คิดหวังผลตอบแทนจากใครเลยเพียงแต่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทําของเราเราก็จะมีความสุขและมีความอิ่มเอิบใจ นี่คือการทำบุญที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจแล้ววันนั้นเราไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเรากลับไปอยู่บ้านเฉยๆไปพักผ่อนได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญแล้ววันนั้นจิตใจเราจะมีความดิ้นรนอยู่บ้านเฉยๆจะรู้สึกหงุดหงิดใจํำคาญใจเบื่อหน่าย ต้องออกไปข้างนอกไปดูไปเห็นไปได้ยินไปดื่นไปรับประทานสิ่งต่างๆถึงจะทำให้มีความสุขใจแต่เป็นความสุขใจที่ไม่จรรมถาวรเพราะเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากที่อยากจะออกไปอีก ส่วนการทำบุญนี้ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญได้มากๆเท่าไหร่ยิ่งจะไม่อยากจะออกไปหาความสุขจากสิ่งอื่นเพราะบุญนี้จะอยู่ติดกับใจไปเป็นเวลายาวนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งต่างๆนี่คือหน้าที่ของทานคือให้อาหารใจให้ความอิ่มเอิบใจ ชำระความเห็นแก่ตัวทำให้เรามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอให้สิ่งของต่างๆแก่ผู้อื่นอยู่เสมอมักจะไม่ชอบคิดเบียดเบียนผู้อื่นเวลาทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์มีความไม่สบายใจก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาก็จะไม่อยากจะทำ อยากจะทำแต่สิ่งที่ทำให้ผู้อื่นมีความสบายใจและตนเองก็มีความสบายใจตามไปด้วยนี่คือหน้าที่ของการให้คือการทำบุญให้ทานมีสิ่งที่เราให้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวของเงินทองแต่อย่างเดียวถ้าเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ เราเอาไปให้เราก็ถือว่าเป็นการให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองเราให้อย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรารู้จักวิธีทากับข้าวกับปลาอาหารรู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยเย็บเสื้อผ้าหรือความรู้อะไรต่างๆเราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้ โดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองถ้ามีใครสนใจอยากจะได้รับความรู้จากเราเราก็ให้ไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิทยาทาน<ม>ก็ทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องให้เงินให้ทองเสมอไปนอกจากวัตถุทานวิทยาทานแล้วเรายัางสามารถให้ อภัยทานได้อภัยทานก็แปลว่าการให้อภัยไม่ถไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นเวลาที่เขาพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความเสียหายขึ้นมาแทนที่จะไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็ให้อภัยเขาถือว่าเป็นการทำบุญทาทานไป พรสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทามันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปให้เขาลบสิ่งนั้นไปแต่สิ่งที่เราลบได้ก็คืออย่าให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราถ้ามันไม่อยู่ในใจของเราแล้วมันก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเรามีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วมากมายแต่ตอนนี้เราจำไม่ได้เลย เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่ใครทาอะไรแล้วทำให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาเราต้องรีบรลบมันออกไปจากใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาทาให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงบุคคลที่ทำให้เราโกรธ พราะถ้าเรายิ่งคิดจะยิ่งสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแล้วก็จะทําให้เกิดความอาฆาตพยาบาทตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราลบสิ่งเหล่านี้ออกด้วยการให้อภัยถือเสียว่าเป็นการทําบุญมีคนเข้ามาขอบุญเช่นมีคนเขาเอาซองผ้าป่ามาให้เรา เราก็มีเงินมากน้อยเพียงไรเราก็ใส่ซองไปแล้วก็ให้เขาไปมันก็จบเขาอยากจะพูดอะไรเขาอยากจะทำอะไรหรือเขาได้พูดได้ทำไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วให้เหมือนกับเราใส่เงินในซองผ้าป่าให้เขาไปแล้วเขาพูดแล้วเขาทำแล้วก็ปล่อยเขาไปผ่านไปก็มีอยู่เท่านี้แล้วเราจะได้สบายใจเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเสียเวลาไป คิดว่าจะรังแคนเขาอย่างไรดีจะตอบโต้กับเขาอย่างไรดีเพราะเป็นการกระทาที่จะไม่ได้นำไปสู่ความสันติสุขไม่ได้นำไปสู่ความยุติธรรมความยุติธรรมแปลว่าการหยุดไม่ได้หมายถึงว่าการแก้แค้นกันตาต่อตาฟันต่อตาอย่างนี้ไม่เรียกว่ายุติธรรมคาว่ายุติธรรมแปลว่ายุติยุติแปลว่าหยุด จบไม่ให้มีเรื่องตามมาอีกต่อไปและวิธีที่จะทําไม่ให้มีเรื่องตามมาก็คือต้องไม่จองเวรกันดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเวรย่อมระ ง, งับเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าใครเขาทําอะไรเราแล้วเราไม่ไปตอบโต้เขาก็จะไม่กลับมาตอบโต้กับเราเอีก เขาก็จะผ่านไปต่างคนก็ต่างแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่ถ้าเขาทำเราเรากลับไปทำเขาเขาก็ต้องกลับมาทำเราอีกเราก็ต้องกลับไปทำเขาอีกทำไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยที่เรามีเวรมีกรรมกันมานี่มากน้อยเพียงไรเราไม่รู้หรอกแต่เวลาเราเจอใครที่เราไม่ชอบขี้หน้านั่นแหละแสดงว่าคนนั้นแหละเคยมีเวรมีกรรมกับเรามา เพราะเราไม่ให้อภัยกับเขาดังนั้นถ้าเราเจอใครที่เราไม่ชอบที่หน้าก็ขอให้เราอภัยพยายามปิดพยายามลืมเรื่องของเขาเสียพยายามกลับใจเสียอย่าไปโกรธอย่าไปเปลี่ยนเขาพยายามแผ่เมตตาให้กับเขาพยายามทําความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจกับเราต่อเขาพยายามลองให้ มองเขาว่าเป็นมิตรของเรานี่คือสิ่งที่เราสามารถให้ได้เมื่อให้แล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสบายใจเราจะมีความปลอดภัย<ม>เราไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนซ่อนเวลาที่เราไปทำร้ายทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้อื่นมเมื่อเราทาแล้วเราก็จะต้องเกิดความหวาดกลัว<ม>เกิดความกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้เราสบายเขาก็สบายต่างคนต่างหลับนอนกันได้อย่างสุขอย่างสบายนี่คือการให้ที่ดีลองลองจากการให้อีกอย่างหนึง่งคือการให้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะการให้คำสอนคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นในขณะนี้จะทำให้คนที่ ไม่รู้เรื่องธรรมะคำสอนของพ่พระพุทธเจ้าจะได้มีหูตาสว่างขึ้นจะได้รู้จักอยู่อย่างมีความสุขเช่นวันนี้ได้วันนี้เราได้ยินเรื่องการให้อภัยแล้วถ้าเราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายกับใครทั้งสิน้นใครจะทำอะไรก็ให้อภัยเสมอใครจะด่าเราก็ให้อภัย ใครจะทุบตีเราก็ให้อภัยใครจะรักใครจะขโมยของที่รักของเราไปเราก็ให้อภัยแม้จะเอาสามีเอาลูกไปก็จะให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเราถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราถือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากกันซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่า การพัดพากจากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันไปต่อให้รักกันมากกันขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าเราจากกันด้วยการมีธรรมะคือไม่ยุติปล่อยวางด้วยการให้อภัยเราจะไม่รู้สึก ทุกหรือเสียใจแต่อย่างใดนี่คือธรรมะถ้าผู้ใดมีธรรมอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ถือว่ามีเรือนใจไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะสุดยอดของของบุญก็คือธรรมะนี้เองธรรมะนี้เป็นบุญที่ครอบบุญทั้งหลายไว้ทั้งหมดเพราะถ้ามีธรรมะแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่จะ ทำบุญทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติภาวนาพัฒนาจิตใจเป็นปกติทำจิตใจให้สงบเรียกว่าส ม, มถะภาวนาทำจิตใจให้ฉลาดรู้ทันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาผู้ใดมีทําแล้วจะบาเพ็ญสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ จะให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญธรรมะยิ่งกว่าภารกิจอย่างอื่นเรื่องการทำงานทำการทรมาหากินถ้ายังมีความจำเป็นที่จาต้องทำอยู่ก็จะทาพอพ อ, พอที่จะประทังชีวิตไปเท่านั้นไม่ได้หวังร่ำหวังรวยไม่ได้หวังจะเป็นมาหาเศรษฐีเพราะว่าผู้มีธรรมะจะเห็นแล้วว่าทรัพย์สินสมบัติเงินทองเข้าของ ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเลยไม่สามารถปกป้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังจะต้องมีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเวลาใครพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีถูกอกถูกใจก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่คนที่มีธรรมะแล้วมีอภัยทานแล้วจะอยู่อย่างเป็นสุขถึงแม้จะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวติดอยู่ในกระเป๋าแต่จะไม่รู้สึกว่าขาดแคลนอะไรเลยเพราะคนที่มีธรรมะนั้นจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบมีความพออยู่ตลอดเวลานั่นเองต่างกับคนที่ไม่มีธรรมะแต่มีเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้าน ใจิตใจยังจะรู้สึกหิวยังอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยู่ต่อให้มีเงินมากมายเพียงไรก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาให้มีสามีภรรยากี่คนแล้วก็ยังอยากจะมีเพิ่มขึ้นมาอีเพราะใจจะไม่อิ่มได้ด้วยการได้มาใจจะอิ่มด้วยการให้ไปถ้าให้ไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความอิ่มใจมากเท่านั้น พระพุทธเจ้าของเราจึงสละหมดเลยพระราชสมบัติฐาหนะของราชคูมารมีอะไรมากน้อยเท่าไหร่สละหมดเลยออกไปอยู่ในป่าในเขามีบริคารเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นมีบามีจีวรไว้ห่มเท่านั้นเองอยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำ<ม>ตามผา อยู่ตามเรือนร้างก็พอหลบแดดหลบฝนพออยู่ได้แต่จิตใจของพระองค์นี้เลิศประเสริฐเพราะตั้งอยู่ด้วยความเมตตากรุณาตั้งอยู่ด้วยความชื่อสัต์สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมีแต่ทําประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นจนเป็นที่น่ากราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้พระ อ, องค์จะได้เสด็จตับขันปรณิพานไปแล้วเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีแต่ความประเสริฐเลิศโลกความน่าเคารพ บ, บูชาของพระ อ, องค์ยังอยู่ติดใจของสัตว์โลกเช่นพวกเรานี้จนถึงวันนี้เวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปเรายังกราบไหว้ได้อย่างสนิทยิ่งกว่าเรากลาบไหว้สิ่งอื่นใดในโลกนี้ เพราะความดีงามของพระ อ, องค์นั่นเองเพราะธรรมะที่พระพุทธ อ, องค์ได้ทรงตรัสรู้ทำให้พระ อ, องค์บาเพ็ญตนเป็นผู้ที่มีแต่ความดีมีแต่ความประเสริฐและเมื่อพระ อ, องค์ได้นำพัธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้กับสันโลกก็ทำให้สันโลกได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ได้เป็นเหมือนกับพระพุทธ อ, องค์ได้ทรงเป็นอยู่ พวกเราทุกคนนี้เกิดมาในชาตินี้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องของพระธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้ว่าความประเสริฐเลิศโลกความเจริญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเกิดได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้พบแล้วเราจะรู้ ถ้าเราเรามไม่พบเราก็จะคิดว่าความเจริญอยู่ที่การมีเงินมีทองมีตําแหน่งมีฐานะสูงๆเช่นเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีแต่นี่ไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงความเจริญแบบนี้เจริญชั่วไม่กี่ปีพอร่างกายนี่แตกดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จบ การเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีก็หมดไปใจก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าทำแต่บาปแต่กรรมเพื่อที่จะได้เป็นกษัตริย์ได้เป็นประธานาธิบดีตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานหรือหรือไปเกิดในนรกนี่นี่คือที่ไปของผู้ที่หลงกับความเจริญทางโลกด้วยการทำบาปทำกรรม เพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่วันนี้เราโชคดีเราได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพระธรรมคำสอนท่านสอนให้เราอย่าไปทำบาปท่านสอนให้เราสร้างความเจริญในจิตใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลด้วยการมาวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำให้มากไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไม่ได้อยู่ที่วัดเราก็ทำบุญทาทานได้เห็นผู้ใดเดือดร้อนเราก็พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมีใครมาทำให้เราเกิดความไม่พออกไม่พอใจเราก็ให้อภัยไปเราสามารถปฏิบัติบาเพ็ญบุญและกุศลได้ทุกสถานที่และเวลายังไม่ปวปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ผ่านไปรีบสร้างรรคใจนี้ให้เสร็จ ก่อนที่พายุก่อนที่น้ำมันจะมาท่วมจิตใจของเราเพราะสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปตอนนั้นจะมีทั้งพายุมีทั้งน้ำที่จะมาโหมกระหน่ำจิตใจของเราให้วุ่นวายให้เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีเริอนใจเราจะมีสถานที่หลบไภัยได้จึงขอให้เราหมั่นมาวัดกันมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน อย่าปล่อยให้ชีวิตที่มีคุณค่านี้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญ น, นี้ให้ท่านได้นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความจเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ า, าการเถิด